ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21สิงหาคม2555มีชื่อเรื่องว่าวิสัยของพุทธะ วันในวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อตั้งแต่วันเข้าพรรษาวันที่สคณะัทธาญาติโยมจากญาตุรทิ t จากทิศต่างๆหลังไหลเข้ามากับคารวะครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อนี่ก็ไม่แพ้วัดอื่นรู้สึกวันเนืองแน่น เมื่อวานรู้สึกว่าขาดเมื่อวานมีแขกคนมาสองคณะจากนั้นก็หลวงพ่อได้ไปชุมพระเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าหลวงพ่อก็เป็นห่วงพระหลวงพ่อเหมือนกันเพราะผู้เข้ามาศึกษาภายในก็จะต้องได้รับการได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่ออีกส่วนหนึ่งคือสรุปแล้วก็คือให้มีกฎระเบียบ ในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ไม่ใช่จะพูดแต่ตอนเช้าอย่างทุกวันอันนี้ก็คือพูดตอนเช้าก็คือพูดภาพรวมทั้งฝ่ายคณะสัทธาญาติยมทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยก็คือภาพรวมเลยก็คือพวกเราจะไปด้วยกันอย่างไรอย่างพุทบริษัท4ภิกษุมีหน้าที่อะไรสัมมาเดณมีหน้าที่อะไรอุบาสกอุบาสิกา ก็มีหน้าที่อะไรต้องมีหน้าที่คนละอย่างกันถ้าแยกแยะลงไปในรายละเอียดเวลาการประเคนของทำยังไงฝ่ายผู้หญิงผู้ชายทำยังไงฝ่ายพระสงฆ์ควรวางตัวอย่างไรอันนี้ก็พุทธบริษัทสี่ตั้งสี่คนคือหน้าที่อะไรอันนี้เราก็พูดบอกกล่าวพอเป็นแนวทาง เพืปฏิบัติแต่ส่วนพระสงฆ์ที่เข้ามาอยู่ภายในควรปฏิบัติตนอย่างไรศีลและวินัยที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้นั้นมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนข้อไหนที่สําคัญที่สาคัญมากสําคัญน้อยแล้วข้อไหนที่ควรปฏิบัติประจำวัน สิ่งเหล่านี้ก็ต้องได้ศึกษาแต่จะให้พระใหม่เข้ามาศึกษารู้หมดทุกอย่างก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าสํานักอย่างหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอจะมองรู้ว่าตรงไหนควรจะทํำยังไงขาดตกบกพร่องจุดไหนที่จะทําให้ดีขึ้นทําให้มีความพร้อมเพียงสมัครีในหมู่ในคณะ หลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็มองจากนั้นจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนควรที่จะให้พระที่เข้ามาศึกษาได้เรียนรู้และนํามาไปประพฤติธปฏิบัติหลวงพ่อจะได้อบรมในจุดนั้นอันนี้นคือฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายพระสงฆ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอเกี่ยวกับวิ น, นัยเกี่ยวกับกฎระเบียบแล้วก็เป็นผู้นําชุมชนอีกต่างหากสอนผู้นํา คือโรงเรียนสอนผู้นำฝ่ายพระสงฆ์ก็คือชาวบ้านก็เป็นผู้ตามเป็นผู้ศึกษาในเมื่อผู้นำดีแล้วผู้ตามก็พลอยดีไปด้วยแต่ผู้นำไม่ไปตามทำนองครองธรรมไม่ไปตามหลักพระธรรมวินัยเหมือนกับรถไฟนะั่นถ้าหัวขบวนมันพาตกหลาง ลกน้องก็พาตกลางไปด้วยแต่ตาหัวขบวนมีพลังมีกำลังสูงแล้วก็ถนนทวนทางก็เรียบราบอยู่แล้วถนนทวนทางก็คืออะไรถนนทวนทางไม่มีที่ตำหนิเพราะท่านรักษามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพราะพุทธเจ้าวางไว้แล้วถนนมรคะมรคแปดมรคแปดท่านวางไว้แล้วไม่มีที่ตำหนิถนน แต่ว่าหัวจักรตนเองหัวจักรหรือว่ารถที่จะวิ่งตามถนนมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนถ้าว่าไม่มีประสิทธิภาพวิ่งไปตามารางเผลอๆตกถนนตกรางอีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะว่ารถไฟไม่มีศักยภาพเพราะนั้นเรื่องรถไฟที่จะให้มีศักยภาพมีคุณภาพ ในตัวของรถจักรนะจะทำยังไงเพราะนั้นนายช่างทั้งหลายก็ต้องพยายามตรวจตราให้ดีที่สุดเป็นตามขั้นตอนลงมาเนี่นันก็คือครูบาอาจารย์อะไรตหเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์เวลาท่านได้อบรมเข้าไปอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านก็ลักษณะจับองนั้นบ้างจับองนี้บ้าง และถ้าก็มาประมวลในความคิดของท่านแล้วก็อ่านตำรับตำรามาประมวลแล้วก็อ่านเวลาท่านพูดก็โดยมากก็เป็นความคิดเห็นของท่านความคิดเห็นของท่านมากกว่าเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เป็นผึกแผ่นแต่ถ้าว่าได้อยู่กับครูบาอาจารย์เป็นผึกแผ่นการจะพูดสึงไหนออกไปก็ต้องอ้างหลักทำคาสอนของพระพุทธเจ้า อ้างหลักทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตัวเองได้ศึกษามาแล้วก็ผนวกในพระไตรปิฎกที่ได้ศึกษาคือตำรับตำราอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ผนวกความรู้ที่ประสบการณ์ของตนเองที่ได้ปฏิบัติมาได้ผ่านมาได้ศึกษามาอีกส่วนหนึ่งอันนี้คื อ, คอสามสี่ผนวก จากนั้นก็นํามาบอกกล่าวแต่บอกกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ให้พวกเราทั้งหลายที่ฟังไปแล้วเชื่อทั้งหมดให้ฟังเป้าฟังและกานกรองไตรตรองมีเหตุมีผลเพียงพอไหมที่ได้ยินได้ฟังมานี้สิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาของเราเท่าที่มีแล้วก็ศึกษาค้นคว้าอีกแนวทาง ที่พวกเราจะศึกษาได้อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวมาหลวงพ่อก็ฟังฟังจากนั้นก็มีความเชื่อชเชื่อในท่านผู้ปฏิบัติจากนั้นเราก็ค้นคว้าศึกษาส่วนประกอบตามพระไตรปิฎกหรือหลักธรรมคำสอนจากนั้นก็ฟังจากครูบาอาจารย์องค์อื่น จากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติส่วนตัวอีกพันหัวเข้ามาเราจึงมั่นใจว่า อ, อ, อืตามสติกําลังที่เราได้ศึกษามาเราก็อืสายนสายิสัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ผิดแน่มั่นใจในการเดินมักของท่านวิธีการเดินมักเนะ่ยท่านเดินอย่างไรมีแต่เราเท่านั้นเองมีแต่หัวรถจักรเท่านเอง จะมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมแข็งแรงพอไหมที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางอันนี้เราพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเดินสู่จุดหมายปลายทางหรือยังแต่ถนนหนทางนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้แง่ตําหนิดแล้วเรามั่นใจว่าถนนหนทางนี่เป็นมักเป็นหนทางตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่วางไว้แล้วนี้เป็นหนทาง เราบรื่นเป็นเรียมรรคจริงๆ เ, เป็นมรรคเป็นหนทางเป็นทางที่ถูกต้องจริงๆไม่มีเป็นอย่างอื่นถ้าเราเดินตามมรรคตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเ น, นินนี้ไม่ผิดหวังแน่เรามั่นใจเพราะเหตุไรเพราะเราได้ก้าวขึ้นถนนทีแรกคืนวิธีการปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาความสงบเป็นอย่างไร วิธีการสงบเป็นอย่างไรจิตเข้าสู่ความสงบเป็นอย่างไรวิธีการเดินมักระเปอย่างไงมักระที่เราเดินไปนั้นมีความถูกต้องแม่นยำอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องพิสูจน์นะพิสูจน์ไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์พูดยังไงก็ให้เชื่อตามถ้าไปอย่า ง, งานั้นก็ไม่เหมือนไม่แพ้กับวัวควายเขา ตู้เขายาวไะจูงไปไหนก็เดินแล้วตามหลังไปที่นั่นไงแต่ควายก็บางครั้งมันก็แปลกอย่เหมือนกันนะเพล่เพลไปชนหลังเจ้าของอีกต่างหากขิดเจ้าของอีกต่างหากเพราะเหตุอะไรเออเพราะว่าเจ้าของจูงไปชะล่าใจเนีเพล่เพลเลยเนี่ยพวกควายที่ที่จูงไปเนี่ยไม่เชื่อกับไม่เชื่ออย่างรื้อๆขึ้นมาเนี่ยก็เลยขิดเขิดเจ้าของเจ้าของชะล่าใจ แต่ถ้าเจ้าของไม่ฉล่าใจนะไม่แล้วะขิดไม่ได้เราต้องมองดูมองดูซ้ายมองดูขวามองดูก็รู้แล้วควายจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะถ้ามันไม่เชื่อนะ่งฟังให้ฟังแล้วพูดให้ฟังด้วยเหตุผลแล้วยังไม่เชื่อพูดให้อกีกให้ฟังเหตุผลแล้วพูดให้เองถ้าพูดให้หลายหลาครั้งแล้วยังไม่เชื่ออยู่เอออันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะสอนใช่แล้วปะไปหาทางอื่นไปสอนไปเรียนทางอื่นนะไปศึกษาทางอื่น ตรงนี้หมดวิชาแล้วอย่างภาษาลิบุตรท่านได้ลุกศิษย์มาท่านก็สอนให้ภาวนาอย่างนี้อย่างนี้นะลูกศิษย์ก็ภาวนาภาวนาไม่ได้กลับไปหาอาจารย์กีกผมภาวนาครับอาจารย์เออเอาสอนทีนี้อกีกไปไปภาวนาไปอกีกไปภาวนาอกีกกลับมาอกีกไม่ได้ครับสอนละเอียดอีกแต่นะี่มันทำไมมันโง่นักว่า สอนให้ละเอียดเออไปไปภาวนาไปอีกคราวนี้กำชับพระอีกทีนี่กำชับพระในถิ่นนั้น่ะที่เป็นลูกศิษย์จับตาดูนะบ่สอนไปแล้วมันเป็นนอนอยู่หรือเปล่าเออแล้วก็มาทวงทวงผลมันเป็นนอนเอามือกายหน้าผากแต่ละวีละวันมันจะเห็นผลอะไรถ้ามันไป น, นอนอยู่นั่นเออมันไม่ได้ภาวนามันไม่ได้ยังกรมมันมีแต่ไป กลับไปนอนไปพูดไปคุยกันแล้วก็มาทวงผมภาวนาไม่เปลี่นครับไม่ได้รับผลครับมันจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงไปสังเกตดูนะตอนนี้พวกพวกพร้องบริวารก็มาบอกว่าเขาภาวนานะอาจารย์เขาก็ตั้งใจภาวนาอย่างสุดๆเขาไม่ได้คุกเคลียอะไรกับใครอื่นเขาภาวนาเอีเเผ้วนะครับผมไม่ได้ครับท่านอาจารย์ผมภาวนาไม่เข้าไม่ออกไม่เป็นไม่ไปเออ เราก็หมดปัญญาว่ปะปเราจะพาไปกราบพระพุทธเจา้านไปกราบต้นสัจจะที่ท่านประทานกรรมฐ า, านให้กับเราปเรนป่ะในําพระองค์นั้นไปพอนําพระองค์นั้นไปเท่านั้นะพระพุทธเจ้ามองเห็นกราบทูลพระพุทธเจา้าบอกว่าในพระองค์เนี้ข้าบองค์ให้กรรมฐ า, านถึงสามครั้งเลยที่แรกก็ให้ธรรมดาครั้งที่สองก็ให้ละเอียดพอครั้งที่สามให้ละเอียด แต่ผลออกมาก็ไม่ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นถูกตามที่ได้รับกรรมฐานไปคือว่ายาไม่ถูกกับโพาะพูดง่ายๆให้ยาไปแล้วไม่ถูกกับโพายาไม่รั้งนโพะของลูกศิษย์พระเจ้าพาะพระองค์บอกอืมจลบุบทอันนี้เป็นวิสัยของพุทธไม่ใช่ของสาวกที่จะสอนเป็นวิสัยของเราปะกลับไป เดี๋ยววันนี้แหละเขาจะได้สําเร็จมั้งเขาจะได้เป็นพระรหัสเราจะสอนให้วิชาเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือขนาดภาษาลิบุตรท่า น, นเป็นอัครสาวกเป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในครั้งพุทธกาลเป็นพี่ชายใหญ่ของหมู่คณะแต่ท่านก็ยังสอนลูกศิษย์ของท่านให้สําเร็จมั้งผลไม่ได้เพราะนั้นพวกเราเนี่ยจะเก่งกล้าสามารถถึงขนาดไหน เพรนั่นหลวงพ่อเองถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเนี่ยเขาปราหมาดกอเขาดูถูกหลวงพ่อหลวงพ่อยกมือไหว้เขาเลยอหลวงพ่อโง่จริงๆหลวงพ่อยอมแพ้สอนได้แต่คนที่สอนได้ตนเองคนที่มีวิธีหรือว่ามีวิถีแนวคิดอย่างอื่นมีมากมายในโลกขนาดภาษาไร้พูดก็ยังสอนลูกศิษย์ตัวเองไม่ได้แล้วจะให้หลวงพ่อเองเลิอดประเสริฐมาจากไหน จะสอนให้คนรู้ศีลรู้ธรรมทั้งบ้านทั้งเมืองก็คงจะเป็นอย่า ง, งานั้นไม่ได้หลวงพ่อยอมรับแต่ว่าหลวงพ่อก็พยายามสอนบุคคลที่ควรจะสอนได้บอกได้ผู้ที่มีปัญญาเขาที่มีปัญญาหรือเขาออกนอกทางแล้วก็เป็นเหมือนกับควายหรือวัวนักขิดนักชนอีกต่างหากหลวงพ่อก็ระวังอีกเหมือนกันนะ ถ้ามันขิดมันชนไม่เข้าท่ากันระวังเขาหักกันแล้วกันหลวงพ่อก็ไม่จะพูดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านพูดทังนี้ทางนั้นคือเป็นแนวความคิดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อองค์เดียวอยู่กับทุกคู่ทุกคนเราจะถูกอุปนิสัยยังไงแต่หลวงพ่อแนะแนวแต่หลวงพ่อเนี่ยแนะแนวกว้างกวาง ให้แ่บันดาผู้ลูกศิษย์ลูกหาที่เขมาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อให้ไปฟังดูก็แล้วกันในเทปใน MP3 ที่หลวงพ่ออัดเอาไว้ถ้าใครมาถามหลวงพ่อกจะโยน MP3 เอาไปฟังดูนะถ้าฟังดูแล้วใน MP3 ของหลวงพ่อเนี่ยไม่อยู่ในความคิดไม่อยู่ในความคิดที่ผมอยากจะถามไปฟังดูแล้วให้มาถามได้ แต่ไม่ใช่ว่ารับเอ็มพีสามวาเราเป็นหนูนหัวมัวเพียรแล้วก็มาพูดออถามนะถามนี่ถามไม่รู้จักจบจักสิน้นจะไปถามได้อย่างไงตัวเองไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนไปขนาดวิธีการเดยหนึง่งโวมิธีการนั่งภาวนายังจะเอามาถามอีกมันจะไดงว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังในเอ็มพสามหลวงพ่อสอนในละเอียดถี่ถ้วนหมดทุกอย่าง พิธีการวางตัวทํำยังไงพิธีการภาวนาทํำยังไงอย่างวิธีโดยยังกรมนั่งสมาธิทํำยังไงสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรการกําหนดจิตใจให้สงบนั่นทำยังไงวิธีพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลนั่นทำยังไงวิธีปล่อยวางทํำยังไงวิธียึดยึ ด, ยดอะไรหลวงพ่อสอนไว้หมดใน MP ็สเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธายาโจโยมพระเนรลูกหลานทุกองคนะสรุปแล้วก็คือ แนวความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อพยายามให้ดูดูให้กว้างขวางให้ใช้ปัญญารอบเรียนรู้รอบอพอรอบแล้วก็รู้จักการวางตัว เ, เวลาเขาตํานี้มากก็อย่าไปโกรธให้เขาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดขนาดภาษาริบุตรก็ยังยอมแพ้ลุกสิทธ์สอนไม่ได้ต้องไปมอบให้พระพุทธเจ้าเป็นองค์แสดงธรรมเป็นองค์สอน พระองค์เนี้ยเป็นวิสัยของพุทธไม่ใช่วิสัยของสาวกที่จะสอนได้อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใครก็ตามเข้ามาศึกษากับหลวงพ่ออผมวิสัยหลวงพ่ออินเนี่ยไม่สอนผมไม่ได้หรอกครฮะเราก็ยอมแพ้แไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออินถ้าใครไม่ไม่สมัครเป็นลูกศิษย์ก็จะไปก่อมหัวก่อมท้ายอยู่นั้นนะอรูปหัวรูปหลังรูปไหลมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินโดยเถิน หลวงพ่ออินยอมทุกอย่างเลยทั้งร้องผมร้องให้หลวงพ่ออินกลัวลูกศิษย์จะหนีไปไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่ออินหรือไม่แนตะ่ว่าศึกษาดูซิที่หลวงพ่อบอกแนะนำหลวงพ่อมั่นใจที่หลวงพ่อบอกกล่าวหลวงพ่อมั่นใจที่บอกท่านทั้งหลายให้พวกท่านทั้งหลายใช้แนวความคิดดซิกําหนดดูสิภาวนาดูซิตำกิตใจอย่างนี้ดูซินะพวกท่านจะเห็นเห็น ความรู้สึกเห็นความสงบร่มเย็นเป็นสุข เ, เมื่อสงบพร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะต้องเห็นมักเห็นผลต่อไปภายภาคหน้าไม่ล้มักผลระดับไหนละ่ะพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้เองเป็นผู้รับรับเองผลที่สุดนี่แหละหลวงพ่อให้แนวความคิดแก่คณะสิทธิอนุสิทธิคณะศรัทธาญาทยมลูกหลานนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์เรโมทนาให้พร